อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารบบรูณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่22กรกฎาคมนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นสี่ข้าเดือน8ปีมะโรงค่ะอย่างที่ได้กเกริ่นให้ทราบแล้วในเช้าเมื่อวานนี้นะคะว่ า, าเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็ยังโชคดี ที่ในช่วงของการสารกชาหรือสนทนาธรรมะนั้นเรายังได้รับความเมตตาจากพระเดศพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตัพาโสหรือท่านพระคูสิทธิพภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก ตำบลดอนไหสุกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานียังมาร่วมรายการกับทางเรานะคะซึ่งรายการธรรมารัปรุณทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นเดี๋ยวฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านในการที่จะสนทนาธรรมะหรือที่เรียกว่าสากฉากับท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โน่ซึ่งท่านก็เป็นองค์ปาถกหรือว่าองค์พิธีกรประจํารายการธรรมรัปรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคะ่ะ ขอนำท่านฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ำระส ก, การ mm hmm. พระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ทุพโสและพระอาจารย์ไพบูตรอภิปุโนกันเลยนะคะกราบน้ำระส ก, การเจ้าค่ะหลวงพ่อและพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณพ่อ ค่ะทุกเจ้าค่ะวันนี้นะเจ้าค่ะมาเจอกันวันอาทิตย์ที่22นิยมก็จะมีคําถามหลายคําถามเจ้าค่ะซึ่งผู้ที่ถามคําถามเข้ามานี้นี่ได้มากราบนัสการเรียนถามพระอาจารย์และหลวงพ่อด้วยตัวเองเลยนะเจ้าค่ะ <laughs> <laughs> ก็เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้ที่คุมรายการาธรรมะทั้งหลายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการสนทนาธรรมการจัดรายการธรรมะต่างๆก็คือคุณปัญญาชม จปีเนี่ยเจ้าค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าทางด้านดูแลทางฝ่ายนี้แม้แต่คุณปัญญาเองนะเจ้าค่ะก็ยังอยายกจะฝากคำถามถึงสี่คำถามซึ่งยมคิดว่าเป็นคำถามที่ล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็อาจจะตรงกับใจของท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านขออนุญาตที่จ ะ, ะนำคำถามของคุณปัญญาชมจำปีได้มากราบนมรสนายเรียนถาม พระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซเป็นข้อแรกเจ้าค่ะคุณปัญญาชมจมปีของเราก็ถามว่าการมีสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดสายเนี่ยเจ้าคะ่ะเป็นอย่างไรและทําได้อย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรากําหนดลมหายใจได้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเรามีสติตลอดเวลาเจ้าค่ะถ้าเรากําหนดความรู้สึกให้ตัวของเราได้ว่าคิดนึกอะไรอยู่ทําอะไรอยู่รู้อยู่ ก็จะทําให้มีสติมีสมาธิติดต่ตอกันไปเรื่อยเื่อยเช่นก่อเจ้าค่ะก็คือการที่เราจะมีสติอยู่กับตัวเราตลอดเวลาโดยที่เราทําอะไรก็จะนึกรู้อันนี้เป็นอันเดียวกับที่เวลาเราไปปฏิบัติทางวัดแม่เจ้าข้าว่า uh, พระอาจารย์หรือว่าทางหลวงพ่อก็จะบอกว่าให้เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอไม่ว่าเราจะนั่งยืนเดินหรือว่าทําอะไรแม้แต่ทานอาหารก็ยังให้มีสติรู้ตัวอยู่เสมอเนี่ยเจ้าค่ะ อันนี้เป็นลักษณะของการมีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญ응 ะ, ะก็คือเหมือนกันนี่แหละะสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญะเนี่ยคือมีสติกับสัมปชัญญะใช่หสัมปชัญญะเนี่ยคือพูดถึงการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดไปหนักไปเบาไปทําอะไรต่างๆทําการงานพวกนี้คือสัมปชัญญะเหมฉะนถ้าเรามีสติอยู่อย่างมีสัมปชัญญนะเนีคือในทุกเรียบทเลยเนี่ยจิตของเราตรงเนี้จะเป็นจิตที่ต่อเนื่อง เี๋เป็นจ่มีสติคือมีสติที่ไม่ให้คิดไปในแดนลบให้อยู่ในแดนบวกระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าจิงของเราอยู่ในแดนบวกนะอยู่ในแดนบวกนะเจ้าค่ะตรงนี้ก็ต่อเนื่องต่อเนื่องอืมเจ้าค่ะแล้วถ้เกิดมีอะไรมากระทบที่เราไม่สบายใจนี้เราก็สามารถที่จะเหมือนกับตั้งสติได้นะเจ้าค่ะแล้วก็สามารถปล่อยวางได้ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่เจ้าค่ะเรามีสติอยู่กับตัวได้ตลอดเวลาเราก็ปล่อยวางได้ตลอดเวลาเจ้าค่ะ ถ้าเราไม่มีสติอยู่ในตัวสมาธิก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นไปไ่ได้เท่างหร่ <composers. S 2> เราต้องแก้ตัวไขตัวของเราให้มีสติสมาธิอยู่ในตัวตลอดเวลา <aż S 2> ไปเรื่อยๆต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เราก็จะเห็นกิจ ข, ของเราอ่ะเราวันหนึ่งหนึ่งเราคิดดีกี่ครั้งคิดชั่วกี่ครั้งเราทำดีกี่ครั้งเราทำชั่วกี่ครั้งเราพูดดีกี่ครั้งเราพูดชั่วกี่ครั้งเจ้าค่ะ เราก็จะรู้ตัวตลอดเวลาว่าเราทําผิดหรือทําถูกมากกว่าวันนึงหนึ่งเราทําผิดมากกว่าหรือทําถูกมากกว่าอาผลกําไรของการปฏิบัติหรือว่าการทําสมาธิก็จะอยู่ที่นั่นเนี่ะถ้าว่าเรามีคิดเป็นสมาธิตลอดเวลาแล้วเนี่ยหรือว่ามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่เราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยทําดีไว้กี่ครักี่หนในวันหนึ่งหนึ่งดีทางกายดีทางวาจาดีทางใจ เราทําไว้กี่ครั้งกี่หนอันนี้อย่างหนึ่งเจ้า้าให้คอยรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเออวันนี้เราทําไปเราคิดชั่วไปกี่ครั้งเราคิดดีไปกี่ครั้ ง, ดดงถ้าคิดชั่วมากก็แสดงว่าเราต่อไปก็ต้องทําชั่วพูดชั่ว ม, มากอย่างเนี้ยแต่ถ้าเราคิดดีมากการพูดการทำของเราก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกอย่างเจ้าค่ะ เรว่าเห็นตัวอยู่ต่อเวลาเห็นใจของเจ้าของอยู่ต่อเวลาแล้วก็คือวางจิตเราให้อยู่ในแดนบวกนะเจ้าค่ะไม่ตกไปในที่ตกต่ำนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทีนี้คำถามข้อที่สองของคุณปัญญาชมจาปีนะเจ้าค่ะโยมอยากขออนุญาตนำมาทางพระอาจารย์ไพบณ์อภิปโนเจ้าค่ะเขียนถามมาอันนี้โยมคิดว่าถูกใจบรรดาท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านดีเดียวเจ้าค่ะคุณปัญญาบอกว่า คนเราทุกคนเนี่ยเจ้าค่ ะ, ะไม่ว่าจะเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนเนีเจ้าค่ ะ, ะทุกคนเนี่ยรู้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยชีวิตไม่แน่นอนหรอกเกิดมาต้องมีเก็บมีเกิดมีแก่มีเจ็ บ, ม, บมีตายอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่เนีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่คุณปัญญาถามว่าในเมื่อทุกคนรู้อย่างนี้แล้ว่ทําไมไม่เป็นพระอรหันต์ทุกคนล่ะเจ้าคะ ทั้งทั้งที่รู้ความจริงข้อนี้เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะนี่เป็นคาถามประเภทเดียวกันกับของพราหมที่รู้สึกจะชื่อว่าคณะกะโมการณาพรามเจ้าค่ะเราเคยไปถามบูรู้เชาอยู่สมัยนี่คาถามของคุณปัญญาเนี่ยเหมือนกับเมื่อเมื่อสองพากว่าปีก่อนนะ อ, อืเจ้าค่ะอ่าคือว่าพรามคนนั้นขเขาถามอย่างงแต่คาถามเดิลักษณะ น, าา น, นี้เลยเจ้าค่ะคุณัญญจะเกิดชาติก่อนนรับองพังปีที่แล้วเจ้าค่ะเออว่านี่ทำไมบูรูชาก็มีอยู่เจ้าค่ะ คําสอนต่างก็มีอยู่ทำไมคนไม่บรรลุทั้งหมด่เพราะอะไรพ <Okay. S 2> ระเจ้าเปรียบเทียบให้ฟังกับพราหม์คนนั้นถามกลับถามกลับว่าอา้างี้แล้วกันท่านนีมาจากเมืองราชสกฤตใช่ไหมจ้าท <Okay. S 2> ่ามาจากเมืองราชสกฤตเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องขนทางไปสู่เมืองราชสกฤตแล้ว <Okay. S 2> มีบุรุษคนหนึ่งมาถามทางาาไปเมืองราชสกฤตไปยังไงท่านก็จะบอกอไปทางนี้สิไปทางนี้นะ่าจะเห็นตรงนี้ตรงนั้นนะตรงนี้จะเริ่มเข้าเขตเมืองราชสฤตแนะจะเห็นสวนป่าไม้อะไรของเมืองราชสกฤตเป็นที่สนุกสนานชื่นใจจ้า นะเหมือนเรากับเราสมมติเรมาจากเชียงใหม่เงี้ยเราคุณต้องไปเชียงใหม่ไปยังไงอุ้ยเราจะอธิบายให้ฟังเลยรู้ว่ากําแพงเขาอยู่มีตรงนี้คุณไปดูที่นี่สิออกไปตรงนั้นมีสวนตรงนั้นผุมาจาก<ช>คนที่มาจากเมืองนั้นดียจะจ ะ, จะรู้จะเข้าใจนะมองทะลุผุโปร่งได้ว่าจะแนะนํามาไปที่ไหนก็ลักษณะของปราหมณวันน<า>ี้มาจากเม<ช>ืองเราจะกรึ๊ปรากฏว่าคนเนี้ยพอถามทางจากปราหมณ์ตรงนี้แล้วผู้ชาก็บอกตาว่า บุคคลนี้พอถามทางจากท่านแล้วรู้แล้วว่าทางไปทางไหนกลับเดินทิศทางตรงข้ามไปและส่วนอีกคนหนึ่งกลับไปถึงเมืองราชคฤห์ได้ไโดยสวัสดีอ่าทำไมสองคนที่ท่านบอกทางเขาเนี่ยคนหนึ่งไปถึงได้โดยสวัสดีอีกคนหนึ่งกลับหลังตรงกันข้ามไปแต่ถามพราหมณงนี้อย่างนี้พราหมณ์งนั้นก็ตอบว่าโอ้เขาจะไปทํายังไงได้ละ่ะผมเป็นแค่คนบอกทางนะพระเจ้า ก, ก็บอกเหมือนกันว่าตัวเรานี่ก็เป็นแค่คนบอกทางนะเราบอกนะว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะ แนวะวิธีที่จะละจากความทุกข์นะให้เธอละตัณหานะเฮ้ยทาไมบางคนมันทำไม่ได้บางคนกลับยิ่งไปทําความชั่วหนักขึ้นอืคะก็จะทํายังไงได้ก็เป็นคนบอกทางตอา น, นั้นะ่นี่คือตอบแบบตอบแบบคณะกบาบโมคณะปรราน ะ, ะตอบแบบตอบให้ปราวคนได้ฟังทีนี้คําถามเดียวกันเนี้ยพระอินก็เคยมาถามนะพระอินกกเนี่ยท้าวสกัดเทวราชที่เป็นจอมเป็นราชาแห่งเทวดา บนชั้นดาวดึ ง, งแต่ไม่ได้ถามด้วยบทเรียนชนะอีกหรอกถามว่าเอ๊ะลักษณะนี้ว่าทํำไมคนยังไม่บรรลุเป็นพ ร, นระอรหันต์อะไรมันมันทำให้ภิกษุผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยไม่สามารถเป็นพระอรหันต์ได้นะผู้ชอบพูดถึงตัณหานะคนที่เขาเดินกลับหลังตรงข้ามไปเนี่ยไม่ไปตามทางที่บอกเนี่ยเพราะมันมีอะไรมาดึงไว้ไอ้ที่ดึงเอาไว้น่ะคือตัณหาเพราะมีอะไรมาบังเอาไว้ไอ้ที่บังเอาไว้น่ะคืออวิชา อบังตาเราเอาไว้ไม่เห็นทางไม่คนเขาจะบอกนะแต่มันก็ไม่เห็นนะดึงหลังเราเอาไว้เราจะเดินไปข้างหน้ามันดึงเอาไว้เราจะทําความดีมันดึงเอาไว้เราจะพูดดีมันดึงเอาไว้นั่ น, นคือตันหาเราตกอยู่ในเครือข่ายของตันหาปิดกั้นเอาไว้ะเครือข่ายของตันหาดึงเราเอาไว้เครือข่ายของอวิชชาปิดกั้นเราเอาไว้ทําให้เราไปไหนไม่ได้เราถูกขังอยู่คุณเดชใจถูกขังอยู่ในสังสารวัอืรถูกคขังอยู่ในอิจฉะทั้ง6 คุณจึงไปนิพพานไม่ได้ยังเป็นพระหลันไม่ได้สัทีถ้าเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายก็ยกยอยู่ในสังสารวัตนั่นแหละเกิดแกเจ็บตายเกิดแกเจ็บตายก็อยู่ในภพภูมินี่แหละอืมไม่หลุดลอดออกไปจากอำนาจของตันหากาวิชาเลยเพราะฉะนั้นเจ้าตันหากาวิชานี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรายัางไม่เป็นพระหลันเจ้าค่ะทีนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ในคําถามของคุณปัญญาเนี่ยพูดถึงตรงนี้ดีมากเลยคือพูดถึงเรื่องความรู้แต่ที่บอกว่าเรารู้ทุกรู้ทุกรู้ทุกเนี่ยเจ้าค่ะคุณรู้ทุกหน คือพุทธเาพูดถึงความรู้ในเรื่องทุกข์เนี่ยต้องมีอยู่3แบบก็คือแบบเดียวเนแต่สามรอบรอบแรกเนี่ยคุณรู้ว่าทุกข์มีอยู่ใครๆก็รู้นะเจ้าค่ะข้อที่2คือรู้รู้เนี่ยรู้ในข้อแรกเนี่ยนะคนที่รู้ว่ารู้ทุกข์มีอยู่เนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เรียกว่ารู้ด้วยซ้ําอาจจะแค่จำได้เฉยยังไม่ถึงขั้นที่หนึ่งด้วยซ้ำนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยคุณต้องรู้ว่าทุกข์มีอยู่ บางคนไม่รู้ว่าตัวเองที่หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยแค่นี้ก็ทุกข์พอแรงแล้วไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้โอ้ไม่รู้นี่แย่มากเลยเจ้าค่ะเกิดไปแค่จําได้เฉยเจ้ค่ะหือมีคนอีกเยอะเลยเจ้ค่ะหรือบางคนสังเกตแค่คิดว่าตัวฉันกินข้าวเนี่ยแล้วต้องไปเข้าห้องน้ําเนี่ยแค่นี้คุณไม่รู้ว่าคุณทุกข์พอแรงแล้วหรออ๋อนี่คุณคุณแย่แล้วนะคุณแค่จําได้เฉยเจ้ค่ะอันนี้ก็ที่หนึ่งก่อนนะว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์นี่มีอยู่เจ้าค่ะ นข้อที่สองคุณต้องรู้ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นของที่ควรจะรอบรู้ไม่ใช่เป็นของคนละนะเจ้าค่ะฟังให้ดีก่อนความทุกข์เนี่ยเป็นของควรกําหนดรู้ี่คือทําความเข้าใจอ่ะพูดภาษาแม่ถ้าบอกกําหนดรู้นี่สำเนียงยังไม่คนประตูวัดอะไรเจ้าค่ะเอาพูดให้เข้าใจว่าควรจะต้องทําความเข้าใจความทุกข์เนี่ยเราต้องเข้าใจความทุกข์ไม่ใช่ทิ้งความทุกข์นะเจ้าค่ะอ่าอันนี้ขั้นที่สองนี่บางคนก็ฟังแล้วก็ ไม่ได้ยินเลย้าค่ะ อ, อาจารย์คุณยังรู้ไม่ถูกนะรู้ข้อที่สามเนี่ยความทุกข์ว่ารู้ว่าความทุกข์เนี่ยเราได้รู้เข้าใจมันหมดแล้วนะถ้าความทุกข์เรารู้เข้าใจมันหมดแล้วรู้สามรอบอย่างนี้นะคุณเป็นผู้หลานแน่นอนอือาค่ะที่เรายังไม่เป็นผู้หลานเพราะคุณยังไม่รู้ถ้าสามรอบนี้บางคนยังไม่ถึงรอบแ 3, กรกเลยสามาแค่จําได้เฉยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สามรอบนี้ตามกระบวนการที่ผู้เชี่พูดถึงปริวัติสามอาการสิบสองเนี่ยนะเจ้าค่ะรู้ ค, รความทุกข์เนี่ยมีปริวัติสาม เราจะสามารถทําความเป็นพระอรหันต์ให้แจ้งได้ที่อะไรมันมาดึงเราไว้ไม่ให้เราไปรู้สามราบนี้แหะก็อย่างที่ว่าตันหาเจ้าค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตันหาดึงไว้ในความรู้เราก็รู้ไม่รอบสักทีแทำให้เราไม่เป็นพระอรหันต์ได้นะอืมเจ้าค่ะอันนี้ก็คือสาเหตุนะเจ้าค่ะตันหานี่ก็ถ้าพูดอย่างภาษาชาวบ้านเราก็คือเรื่องของความอ่ากามหรือการอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นนะเจ้าค่ะ ส่ว น, นอวิชานี้ก็คื อ, อเรื่องของความที่เราไม่รู้เอสัตว์สี่เจ้าคะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอาวิชานี้ก็คือไม่รู้ว่ามันมีเรื่องของความเบื่อนายใครจางอะไรต่างๆใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ชุดดึงเราไว้ว่าทําไมเราก็คงจะทราบว่ามีพระ ในประเทศไทยเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่าทั่วโลกเนี่ยพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเนี่ยอยู่เป็นจํานวนมากแต่องค์ที่รู้เห็นเป็นจริงแล้วก็บรรลุพระอารหันต์จริงๆนะเจ้าค่ะมีอยู่จํานวนไม่มากเท่ากับจํานวนพระสงฆ์นะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นข้อที่ตอบให้เปัญหาข้อที่สองที่คุณปัญญาถามมาทีนี้ข้อที่สาคุณปัญญาชมจนปีฝากกราบนมัสการเรียนถามอย่างนี้เจ้าค่ะว่าความว่างจากตัวตนเนี่ย เป็นอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้โยมขออนุญาตที่จะกราบนมัส ก, การเรียนถามทั้งหลวงพ่อ ด, ดอรดรศาสตร์ที่ทุพโศแล้วก็พระอาจาร ย, ย์ไพบูลอภิปุโนได้มีตาสากรฉาเล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านิดนึนงเถอเจ้าค่ะว่าความว่างจากตัวตนเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะความว่างจากตัว ต, วตวนก็คือความไม่ยึดถือนั่นเองเจ้าค่ะอืจตผ่อนความไม่ยึดถือไม่ยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสใน อารมณ์ต่างๆที่เรากระทบกระเทือนอยู่ทุกวันทุกวัน เ, นเราไม่มีตัวตนที่จะเข้าไปรับว่านี่เป็นของเราอันนั้นเป็นของเราเราปล่อยวางได้เราละได้เราไม่ถือในเรื่องเหล่านั้นเรามีจติจประกอบด้วยมีตาต่อเวลาเป็นอย่างนี้อืเจ้าค่ะตัวตัวอย่างที่พระเจ้าเคยยกนะเป็ในใจเรื่องนี้ก็คือว่าเหมือนกับเศษหญ้าไม้กิ่งไม้เนี่ยที่เขาตัดอยู่ตามป่าตามเขาอะไรอย่างเงี้ย ถ้าท <Okay. S 1> ่านผูฟังอยู่ที่บ้านหรือว่าเราเราฟังอยู่เนี่ยเรามีบ้านของขอบเขตของเราอยู่ใช่ไหมกิ่งไม้ใบไม้อะไรที่เขาตัดอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ ย, ยคเราไม่ได้สนใจนะนั่นแหละคือลักษณะของความไม่ไม่ใช่ตัวตนในสิ่งเหล่านั้นคือเราไม่ไปมีรู้สึกความเป็นตัวตนของเราตัวเราของเราตัวตนของตนในหญ้าไม้กิ่งไม้เหล่านั้นคือเราไม่สนใจมันไ ม, ไม่ได้เกี่ยวกับเราไมนะ่เกี่ยวกับเราแค่นั้นเองตรงนี้แหละคือความที่เป็นตัวตนนะ พุทเจ้ายกตัวอย่างอย่างหนึ่งคื อ, อความว่างจากตัวตนอีกอย่างหนึ่งที่พุทเจ้ายกเอตรงนี้เป็นตัวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบั น, ค, บนบคือเวลาเราขับรถผ่านวัดผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีงานศพเนี่ยเราเห็นคนอยู่งานศพเอ๊ะเขามากันงานศพแต่เราไม่ได้รู้สึกเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเห็นคนร้องไห้งอแงอะไรต่าง ๆ, ๆคนมางานศพแต่คนนั้นเราไม่รู้จักนะะเราก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเล ย, เลยนั่ น, นคือลักษณะของความไม่มีตัวตนคือเราไม่มีความยึดถือเป็นตัวตนในคนที่ตาย เราจึงไม่รู้สึกอะไรเนี่ยคือความว่างจากการมีตัวตนอืมทีนี้เราเอาตรงเนี้ยมาใช้กับตัวเราได้ไหมแขนของฉันเอ้าแขนของฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันอืเนี่นคือเราจะทําจิตของเราให้เหมือนกับกิ่งไม้ให้ให้เหมือนกับความรู้สึกที่เรารู้สึกกับกิ่งไม้ข้างนอกบ้านเราเนี่ยนะกับแขนของเราได้ไหมเนี่แหละคือความว่างจากการเป็นตัวตนอืเจ้าค่ะ นะคือความที่เราไม่ยึดถือไม่สําคัญว่าอันนี้เป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนของเราค่ะอันนี้ก็คื อ, อคําตอบที่ว่าว่างจากตัวตนเป็นอย่างไรนะเจ้าคะก็คือการไม่ยึดถือว่าสิ่งแม้แต่ตัวของเราเองนี้ไม่ใช่ตัวของเราใช่เจนะค่ะทีนี้มันจะมีประเด็นตรงนี้คุณสนใจว่าถ้างั้นเราจะต้องมาล้างทําความสะอาดอะไรอย่างนี้ไหมให้มันเละเละไปได้ไหมไม่ไปทําผมนวดหน้าอะไรย่างนี้ได้ไหมนเ้าคะเราต้องดูแลไงคือคุณได้รับ มระดกตรงนี้มาแล้วเนี่ยจากมารดาบิดาใช่ไหมเรื่องร่างกายของเราเ น, นี่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องดูแลเขาถ้าคุณไม่ดูแลนี่คุณก็ผิดอกีกก็ไม่ถูกต้องตามธรร ม, มนะบ้านเรือนอหน้าที่การงานคุณได้รับมอบหมายมาคุณต้องทํานะ่อะอหรือว่าบ้านเรือนคุณอยู่อาศัยคุณก็ต้องทําความสะอาดนะจะบอกว่าไม่ใช่ตัวตนของฉันจะไม่ทําอาันนี้ไม่ใช่แต่ ค, คุณคิดผิดนะแต่เราทําอย่างชนิดที่ว่าไม่ได้ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา นะอย่างกิ่งไม้สับปะเลอเขาจัดงานศพอย่างเงี้ยนะเขาล้างหน้าศพก็แต่งตัวให้ศพเขาทําอย่างนั้นอนะ่ะกับตัวของเขาแต่โนะดยความคิดว่าศพนี่ชั้นตัวฉันเนี่ยเหมือนศพลักษณะนี้นะเจ้ค่ะแต่ตัวนี่คือน้อมเข้ามาสู่ตัวเองแต่แต่เขาทํากับศพเขาก็ทําได้อย่างที่ไม่รังเกียจไม่ได้มีความยึดถือว่าอันนี้เป็นใครเป็นใครอย่างเงี้ยเจ้ค่ะอลักษณะนี้อืมเจ้ค่ะก็ เ, เป็นความว่างจากตัว ต, วตวนอย่างนี้อืมเจ้าค่ะ หลวงพ่อมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมประเด็นนี้ไหมเจ้าคะคือคําว่าไม่มีตัวตวนนี่ก็คือความไม่ยึดถือนั่นเองพูดง่ายๆความไม่ยึดถือเจ้ <c oughs> าค่ะไม่ยึดถือไม่สําคัญมั่นหมายว่าอันนี้คือตัวเราของเราให้เราพยายามพิจารณาทํากิตของเราให้สงบก่อนถ้ากิจของเราสงบแล้วเราจะรู้ความจริงอันนี้แต่ถ้าตราบใดที่เรายังทําจิตให้สงบไม่ได้ ก็จะไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยอืยั ง, งไงจะอ่านตําราก็อ่านไปแต่จะไม่เข้าใจในใจเลยอืแต่ถ้าเราทําถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วนี่นพูดง่ายๆว่าเป็นผ้าละหัน์แล้วนี่เราก็จะรู้ความจริงอันนี้ในใจของเราเองว่าอโอ้อันนี้เกิดขึ้นอันนี้ตั้งอยู่อันนี้ดับไปอืเขาขแก่หลวงพอ่อตรงนี้หลวงพอ่อ พ, พูดประเด็นนี้ดีมาก ปีที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะท่านผู้ฟังจะไม่เข้าใจถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิจะเก็ตทันทีเลยจะเข้าใจทันทีเลยเจ้าค่ะเจาค่ะก็เรียกว่าอย่างน้อยท่านผู้ฟังทางบ้านก็ได้รับฟังคำตอบจากทั้ง พระพระคุณหลวงพอ่อดรสาอาดทิโภาโสและท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะคะว่าความว่างจากตัวตนนั้นเป็นอย่างไรก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเดินฟังมาก็ก็มีความเข้าใจทีเดียวแล้วก็ยังนึกว่าเราเองเนี่ยจะต้องทําจิตของเราไปให้อ่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเข้าใจตรงนั้นจริงๆเราต้องทอําความว่างให้เกิดขึ้นจริงๆให้ให้เห็นจริงๆในตัวตนของเราก็จะเป็นผลดีต่อตัวเรามีความสุขใจก็เรียกว่ามีความสุขในในทุกที่และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั้นเราก็ อย่างรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนันตานะคะมาถึงคําถามสุดท้ายของท่านผู้ฟังทางบ้านค่ ะ, ะไม่ใช่นะคะขอประทานโทษคํำถามสุดท้ายของคุณปัญญาชมจมปีของเราเนี่ยนะคะที่ได้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของอวิชชา สําหรับเรื่องของอวิชานี้เมื่อสักครู่ก็ได้มีการพูดถึงหน่อยหนึ่งละแล้วก็พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนก็เคยมาสาักข์ฉาในรายการธรรมรับอรุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอาวิชาว่ามีทั้งหมดสิบเอ็คู่ดังนั้นโยมอยากจะขอเนี่ยตรงนี้เจ้าค่ะที่จะนําคําถามสุดท้ายของคุณปัญญาชมจุดปีที่ถามว่าอาวิชาทั้งหมดทั้งสิบเอคู่ที่พระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนเคยเคยมาสาักข์ฉาอยู่ในรายการเนี่ยจะใช้อะไรมาดับอวิชาดี ดังนั้นท<อ>ีมอยากจะขอในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะเจะ้าค่ะประมาณ8นาทีเนี่ยกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูณีพิพิโธทบทวนอีกนิดนึงว่า11คู่นั้นมันมีอะไรบ้างแล้วจะใช้อะไรมาดับอวิชชาดีเจ้าคะ่ะที่สิบเอ็ดคู่เนี่ยหมายถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทถูกไหมเจ้าค่ะการทำที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นจริงจริงจริงจคือไม่ใช่ว่ามีอวิชชา1ิบเอ็ดคู่นะหมายถึงว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นคู่หนึ่งที่ทําให้จิตเรา มีการทํางานของจิตอย่างนี้จุกค่ะทีนี้ว่าที่พูดถึง11คู่เนี่ยคือกระบวนการการทำงานที่จิตมันจะเข้าไปรับรู้อารมณ์นั่นนี่โน่นเนี่ยมีทั้งหมด11คู่อ้จุ๊กค่ะนะคือพูดถึงอันแรกเนี่ยก็คือว่าอาวิชชาเนี่ยถ้าจิตมีอวิชชาเนี่ยจิตจะเกิดมีการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งคือสังขารจิตที่มีการปรุงแต่งเนี่ยก็จะทําให้ไปเข้าหน้าที่รับรู้ นั่นนี่อธิษฐานนะจิตที่มีการปรุงแต่งเนี่ยทำให้จิตนั้นก็ไปทําหน้าที่รับรู้ดังนั้นการปรุงแต่งเน hmm. ี่ยเป็นเหตุของการรับรู้นะคือวิญญาณนั่นเองวิญญาณคือการรับรู้แล้วพอจิตของเรามีวิญญาณนะมีการรับรู้แล้วเนี่ยมันจึงไปมีนามรูปมันไปรับรู้ทั้งหลายหล่ะมันก็ไปออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ตรงนี้ก็เรียกว่ารวมเรียกว่านามรูปนามรูปตรงนี้คือกายกับใจนั่นเองนะมันก็จะทำให้เกิดช่องจิตนั้นก็จะมีช่องที่เรียกว่า อิจตนะภายในอิจตนะภายนอกตรงนี้ก็คือสลายอิจตนะพอมีจิตมีช่องตรงนี้แล้วเนี่ยจิตจึงมีภาษาเกิดขึ้นในจิตไย้นั่นคือภาษาท้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพอจิตมีภาษานี้จิตก็จะเริ่มมีความรู้สึกลักมีเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างพอจิตมีเวทนามีความรู้สึกตรงนี้จิตที่ยังมีตัณหาก็จะเกิดตัณหาขึ้นตัณหาในที่นี้คือความทยานอยากความอยากทางการความอยากทาง มีทางอยากทางไม่มี <c oughs> จิตจะมีความอยากเกิดขึ้นมีตัณหาเกิดขึ้นในจิตพอจิตมีตัณหาแล้วในจิตก็จะมีความยึดหลักจะมีความยึดถือเกิดขึ้นในจิตเป็นกาวเหนียวเป็นยางเหนียวอันนี้เป็นของชั้นอะไรอย่างน<อ>ี้ใช่ไเจ้าค่ะยึดมั่นถือมั่ม น, นพอมีความยึดถือแล้วก็จะไปก้าวลงล่ะ<ๆ>จะไปจะไปก้าวลงยึดถือว่าอันนี้เป็นภพเป็นสถานที่ที่ฉันจะลงไปก้าวลงได้พอมีภพก็จึงมีการเกิดคือการไปก้าวลง แต่ว่อันนี้เป็นของชั้นอันนี้ไม่ใช่ของชั้นอย่างนี้เป็นตนุก ค, ค่ะแล้วก็จึงมีความทุกข์ตามมาทั้งหมดนนี้คือลักษณะของสิบเอา ก, การที่เกิดขึ้นที่จิตจ ค, ค, คุณนี้ที่คุณปัญญาถามคือเรื่องของอวิชชาจุ๊กค่ะ ว, ว่ามีอวิชชาเกิดขึ้นแล้วเราจะดับได้อย่างไร <c oughs> ต้องถามอย่างนี้ว่า <c oughs> อย่างสมมติในห้องเราเนี่ย ค, ค่ะถ้ามันมืดอยู่เนี่ยเราจะทาความมืดให้มันหายไปได้ยังไง คุณตื่ใจว่าเราก็จะต้องหาไฟมาติดมันสร้างความสว่างขึ้นใช่เช่นเดียวกันวิชาจะดับไปได้เนี่ยเราต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นมีพิกษุรูปหนึ่งเคยถามปริชาแร้วนี่เป็นคำถามคุณปัญญาที่ถามสมัยก่อนด้วนะเนี่ยคล้ายสมัยก่อนท่านจะเกิดเมื่อสองพันห้ปีแน่นอนใช่ไพิสุรูปนี้เ็าถามมาก้ค่แต่พระองค์พุเจริญนะละอะไรได้นะถึงวิชาจะละไป อะละอะไรได้อวิชชาจึงจะละไปตามลักษณะนี้แต่ผู้เชี่ยวเบอกว่าก็อวิชชานั่นแหละเมื่อเธอละอวิชชาได้อวิชชาจะละไปอื ค, คือหมายว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปเป็นเหตุของอวิชชาแล้วนะเก<ช>ิอวิชชาเป็นตัวแม่แล้วน ะ, ค, ะคือถ้าพูดถึงก็เป็นนางพญาพึ่งไม่ <c oughs> เ, ปเป็นนางพญาปลวกเค่ะเป็นตัวแม่ของปลวกเป็นตัวแม่ของพึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะละตรงนี้ได้เราทําไงเราต้องทำวิชาให้เกิดขึ้นแต่คุณจะทําวิชาให้เกิดขึ้นได้ยังไง เปไฟจะเปิดไฟยังไงต้องหาสวิตช์เดอก่อนนะพุทธพระเจ้าก็ตรัสถึงโพชงทั้งเจนะ็คนที่ทําโพชงทั้งเจแล้วเนี่ยจะทําเจ้าวิชาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้โพชงทั้งเจดเนี่ยก็คือองค์ทำเป็นการตรัสรู้ธรรมนะที่เราเคยพูดไปตั้แต่สี่สัมโพชงไล่ไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชงชนะโพชงทั้งเจดมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันต้องมีเหตุเหตุของโพชงเจ็ก็คือสติปัฏฐานสี่ นะถ้าคุณทำสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นได้โพชฌงค์เจ็จะเกิดขึ้นได้แตสติปัฏฐานสี่ก็คือฐานที่ตั้งของการระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมเราพูดกันอยู่เป็นประจำะสติปัฏฐาน4ี่อยู่ๆมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันต้องมีเหตุเหตุ ข, ของการเกิดขึ้นของสติปัฏฐาน4นี่นั้นพระพุทธเจ้ า, าพูดถึงอานาปานาสติคือนกะารสังเกตลมหายใจนั่นเองที่เราได้พูดไปเมื่อวานที่หลวงพ่อได้พูดสอนถึงการปฏิบัติน ะ, ะลมหายใจนี่แหละนะจะทําให้โพช สติปัฏฐาน4ี่เกิดขึ้นได้เศรษฐปัาน4ี่เกิดขึ้นได้แล้วโพชฌทั้งเจะเกิดขึ้นได้โพชฌงคเจเกิดขึ้นแล้ววิชาวิมุติจะเกิดขึ้นได้ <Okay. S 2> วิชาเกิดขึ้นแล้วอวิชาจะดับไปแต่ความ <ขอ S 2> มืดดับไปละพระออวิชาดับไปแล้วไอนะ้เจ้ากวานปรุงแต่งที่จิตจะต้องไปปรุงแต่งจิตก็จะมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเออฉันไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้นี่ทำไมฉันจะต้องมาปรุงแต่งต่อเนื่องตามสิ่งที่มากระทบเพราะมันไม่รู้ไงมันจึงปรุงแต่งแต่เมื่อความรู้เกิดขึ้นจึงดับไปได้ลว เพาฉันไม่ต้องปรุงแต่งก็ไดนะ้ความทุกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลทั้งนั้นเลยเนี่ยนะก็ดับไปหมดอ<ช>อื<ช>ตรงนี้แต่ประนั้นถามว่าคําตอบตรงๆเลยว่าอาวิชาจะดับไปได้อย่างไรแตนะ่ถ้าเอาราฟพอรู้แจ้งในอริยสัจสีแล้วมันก็วิวิชาก็ดับไปครูชาวยุตินายายหนึ่งตรงนี้<ช>ด้วยว่าอความอวิชานี่คือความไม่รู้ในอริยสัจสี เพาะฉะนั้ถ้าเรามารู้รในเรีย ส, สสี่อวิชากระดับไปแน่อจคือรู้รอย่างที่พูดถึงเมื่อตอนต้นนะนะในการว่าเรารู้สามรอบอย่างนั้นอ่ะเรียกว่ารู้เรียสสี่ะรู้สักรอบแต่รอบหนึ่งก็ก็ถือว่าได้นะก็ทําให้เราจะทําอวิชาเนี่ยให้ดับไปได้จคะอืม ก็อันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังคำตอบของอพราะาษพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่โตภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศพนะคะที่ได้เมตตามาร่วมกันตอบปัญหาหรือคำถามที่คุณปัญญาชมจำปีอวหน้าทางด้านดูแลทางด้านรายการธรรมะของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ถามมาทั้งสี่ข้อเนี่ย เดนคิดว่าท่านผู้ฟังนี่กระจ่างขึ้นเยอะเลยและตัวเดนเองนี่อย่างเป็นผู้จัดรายการนี่ก็ในการตอบปัญหาของทั้งพระเดชพระคุณหลวงพอ่ดอดรสะอาดที่ทวพโสและท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิบุญโนองค์ปาตกประจำรายการของเราจากวัดป่าดอนหโศกนั้นเนี่ยทำให้เข้าใจขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็คิดว่าคงจะนําไปปรับใช้หรือว่าอย่างน้อยก็นําไปพิจารณานะคะทำให้จิตของเราเนี่ยเรียกว่ายกระดับ จิตให้มีกำลังมีจิตสูงขึ้นอันนั้นก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถเดินทางไปในทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะสั่งสอนหรือว่าบอกทางอย่างที่พระอาจารย์ไปบุ่พุณโนโท่านได้เล่าให้ฟังแล้วเรื่องที่ว่ามี พระพุทธจ้มีพรามมาถามแล้วก็พระเจ้าท่านได้ตัดกอบว่าอย่างไรบ้างนะคะค่ะสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะถ้าหากว่าท่านมีคําถามอะไรที่อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเราเนี่ยนะคะคําถามอะไรก็ได้ที่ท่านข้องใจก็เขียนถามกันมาได้ในรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้นะค ะ, ะเขียน ถามเข้าไปในเว็บไซต์ของพระอาจารย์ไพบุต ร, รอภิปุโนโก็ได้ค่ะเพียวธรรมะ .com นะคะหรือเขียนมาทางสาริวิทยก็ได้ไม่ทราบพระอาจารย์ไพบุรมีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าคะไม่มีแล้วมะเจ้าคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้ว ก็คงจะต้องนำทั้งหมดทางบ้านนะคะกราบน้ำมศการกราบขอบพระคุณอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตัวพระโสดหรือท่านพระคุณสิทธิ์ิพยภ า, ากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่า ด, ดอนไห่โศกค่ะรวมทางพระอาจารย์ใบบุญอภิปุโนองค์ปาถกประจํารายการของเราด้วยที่ได้เมตตามาสักชาหรือสนทนาธรรมซึ่งเป็นคําถามของคุณปัญญาชมจำปีในวันนี้แต่ล้วนเป็นเรื่องที่คิดว่าพุทธศาสนิกชนเราหลายท่านข้องใจและเมื่อฟังคําตอบแล้วก็คงจะเกิดความกระจ่างเหมือนกับห้อง เกิดแสงสว่างขึ้นแล้วนะคะค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังชาวบ้านมากราบน้ำระสการ์ขอพระคุณอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทีโตภาโซและพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนแห่งวัดบาดอนไหายโศกเพียงแค่นี้นะคะกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโซและพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะท่หลวงพ่อสาธุเจ้าค่ะ